ขอให้พวกท่านทางหลายจงตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมะจงเจริญสติปัญสีเรียกว่ากายานุปจนนาเวทานานุปจสนาจิตตานุปจนนาธรรมานุปจนนาพิจรารณาจึ่งเหล่านี้ให้เห็นชัดแจ้งอยู่ภายในจิตใจในตํำรับตำลาว่าอย่างนั้นแต่ผมจะพูดนี้ไม่ได้พูดในตํำรับตําลาแต่ผมพูดโดยอุดมการณ์และ ผมประสบพบเห็นมาอย่างนี้แต่ให้ท่านมีสติลู้เท่าลู้ทันในขณะพลิกมือขึ้นก้มมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยทิกตาอ้าปากลืนน้ำลายผ่านในลูคอลงไปหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติ รูเทาลู้ทันลู้จากกันลู้จักแก่ลู้จักอาสนะสิ่งเหล่านี้ได้นี่เป็นข้อแรอกข้อที่สองต่อไปให้ท่านมีสติคอยดูจิตดูใจของท่านอยู่ทุกขณะจิตท่านจะทำการทำงานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างดูได้ทำการทำงานได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเป็นการดูจิตดูใจอันนี้เป็นข้อที่สองขอให้ท่านมองเห็นสิ่งนี้อยู่ทุกขณะจิตความเป็นเอง ทั่วมีมันมีอยู่แล้วมันเป็นเองเหมือนกันกับเอาเม็ดข้าวลงไปปลูกไว้ในดินแลาอเอาน้ำไปรดข้าวทุกเม็ดต้องงอกต้องตรงขึ้นมาทุกเม็ดเมื่อเราจเจริญอย่างนี้สามารถที่จะเห็นแจ้งได้ทุกคนไม่ยกเว้นถ้าหากท่านทำอย่างนี้ถึงสามปีแล้วทำให้มันติดกันนะยังไม่ปรากฏแล้วเอาชีวิตของผมไปผ่านก็ได้ เพราะผมกล้ายืนยันได้อย่างนี้จึงจะสมกับคําหมายที่ผมตั้งปฏิฐานเอาไ ว, ว้ว่าเสียสลัดทรัพย์ออกไปได้เพราะผมรักษาอาวัยวะร่างกายของผมบัด น, นี้ร่างกายของผมเมื่อมันเป็นบาดเปื่อยเนาไปผมรักษาชีวิตของผมผมจะตัดเนื้อเนาของผมออกไปให้ผมมีชีวิตอยู่ได้บัด น, นี้ชีวิตของผมจะถึงหายไปก็าตาม คำพูดที่ผมกำลังพูดอยู่ในขณะนี้ผมเข้าใจว่าถ้าพระพุทธเจ้าสอนมาอย่างนี้ชีวิตผมจะสิ้นลงไปในขณะนี้ก็าตามขอให้ผมได้พูดความจริงที่เป็นสัจธรรมคำสอนของพระุเจ้านั้นว่าไว้กับโลกนี้ให้เป็นคู่ครองของโลกนี้ไปถึงจากสิ้นลมหายใจไปก็าตามผมไม่เสียดายเลยผมจึงเอาชีวิตผมมาเป็นประกันและเดิมพันไว้กับพวกเราในขณะนี้ ฉะนั้นที่ผมได้เล่ามาในขณะนี้ต่อไปสุดท้ายนี้ผมขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและคุณพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระลานตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิดใจของพวกเราทั้งหลายขอให้พวกเราทั้งหลายได้ประสบทบเห็นในสัจธรรมคือจิตใจของเราทุกทุกคนในขณะนี้ทุกคนเธอ